มีคนมาถามอยากจะออกมาใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ก็กลัวกลัวเบื่อเนี่ยความเบื่อมันน่ากลัวมากมีเงิน ใจอยากจะออกมาปฏิบัติธรรมพร้อมแต่มีความกลัวกลัวเบื่อกลัวเบื่อก็เรียวกว่ากลัวทุกข์กลัวเงินไม่พอเดี๋ยวป่วย ชีวิตที่มีแต่ความกลัวเป็นทุกข์มากแต่เราไม่รู้เขาก็มาขอกำลังใจขอกำลังใจจะได้มีกำลังใจที่จะออกมาปฏิบัติธรรม ผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแต่ถ้าจะตอบตอนนี้ก็คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือความทุกข์ถ้ายังมีความทุกข์ไม่พอก็ไม่มีความดิ้นรนจะพ้นทุกข์หรอก พันั้นต่อให้พูดยังไงอธิบายยังไงให้กำลังใจกันขนาดไหนมันก็ทำใจไม่ได้หรอกความกลัวมันมีอำนาจกับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมันพาเราเกิดตายกับเพราะความกลัวนี่แหละเราอยู่ภายใต้มัน เหมือนเราทำธุรกิจเรามีเป้าหมายเมื่อมีอุปสรรคเราต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นทุกข์ต้องมีชีวิตที่เหมาะสมแต่มีอุปสรรคคือความกลัวต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ ถ้าเราปล่อยให้อุปสรรคมาเบรกเราเอาไว้เราก็ไปไหนไม่ได้ เหมือนแม่ชีที่บวชบวชชั่วคราวเรามีเงื่อนไขในชีวิตด้านอื่นทางโลกเบรกเราเอาไว้ วันหนึ่งถ้าเราเข้าใจความหลุดพ้นความเป็นอิสระเราจะเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย อะไรที่เราคิดว่าสำคัญในชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรเลยสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความอิสระ คำพูดมันฟังแล้วก็ตื้นตื้นฟังมาเยอะและอิสระนี่มันรอวันที่เราได้สัมผัสเองธรรมะนี่มันลึกซึ้งมาก เราแต่ละคนปฏิบัติธรรมก็น่าจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างเราจะสังเกตได้ว่าพอเอามาเล่ามาพูดเนี่ยมันจืดๆมันไม่ลึกซึ้งเหมือนที่เราได้พบได้เห็นธรรมะมันเป็นแบบนั้นพอเอามาพูดเป็นคำพูดเนี่ยมันก็งั้นๆ ฟังแล้วก็ผ่านๆเฉยๆเพราะมันอธิบายไม่ได้ แตกว่าจะถึงความอิสระได้เราอาศัยความทุกข์เยอะผมเคยพูดถึงสภาวะที่ทุกข์แบบหลังชนฝาไม่มีทางออก ไม่มีทางหนีจนปัญญาความรู้สึกทุกข์ในแบบที่คนในโลกพร้อมจะฆ่าตัวตายได้คนเราฆ่าตัวตายเพราะอะไรไม่มีทางออกรู้สึกหมดทางแล้ว ตายดีกว่าที่จะได้ผลถทุกนักปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ฆ่าตัวตายเราอดทนที่จะเห็นว่าตอนนี้เป็นแบบนี้เราอดทนที่จะเห็นเฉยๆไม่แก้ไข ไม่จัดการไม่แทรกแซงอะไรทั้งนั้นเราไม่ฆ่าตัวตายแล้วทางออกจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เราออกจิตนี้จะหาทางออกจากความทุกข์ด้วยตัวมันเองภาษาธรรมะเขาเรียกว่าหลุดพ้น จิตนี้จะหลุดพ้นด้วยตัวมันเองไม่เกี่ยวกับเราเราจะเข้าใจ ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าหลุดพน้นทำไมถึงใช้คำว่าอิสระทำไมถึงบอกว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตนี้ได้อีกต่อไป เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเราจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าพ้นทุกข์ไม่ใช่ได้ความสุข มันพ้นจากเครื่องร้อยลัดพันธนาการทั้งหลายทั้งสิ้นพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงเรียกว่าพ้นทุกข์ จิตนี้เหมือนมีอะไรกาติดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้เรารู้ไม่ได้จนกว่ามันจะหลุดออก เราถึงรู้ว่าเมื่อกี้ติดเพราะมันติดอยู่อย่างแนบเนียนเหมือนลักษณะผิวหนังเรามีน้ำมันเราไม่รู้หรอกพอเราสบู่ถู เราถึงได้รู้ว่าอเมื่อกี้มีความมันมันมีความแตกต่าง เราพูดถึงว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อวันหนึ่งเราจะทำลายอาวิชชาได้ทำลายความเห็นผิดได้อันนี้เป็นภาษาจริงๆไม่ได้ทำลายอะไรเลยคำที่ตรงที่สุด คือมันแค่หลุดพ้นจิตใจที่เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆ มันเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆเหมือนมันได้กินอาหารมันเติบโตขึ้นมันกว้างขวางขึ้นแล้วมันก็ สลัดตัวมันออกมาจากสิ่งต่างๆที่ปกคลุมมันเอาไว้อยู่ มันเป็นเหมือนการเติบโตของจิตวิญญาณจนมันแหวกสิ่งต่างๆที่ปกคลุมมันเอาไว้ออกไปสู่ความอิสระแค่นั้น ถ้าเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่จิตนี้เคยเข้าไปเกี่ยวพันให้คุณค่าให้ความหมายมีผลมีอิทธิพลสร้างทุกข์สร้างสุขให้กับเรากลับกลายเป็นไม่มีความหมายอะไรเลย สิ่งที่เป็นสาระสิ่งเดียวคือลักษณะของจิต ท, ที่เป็นอิสระแต่ทำได้ไหมทำไม่ได้ เพราะมันทำเองเราปฏิบัติแทบตายเราใช้คาว่าเราปฏิบัติแทบตายแต่คนหลุดพ้นกับไม่ใช่เราเป็นจิตฟังแล้วมันตลก แต่มั้ก็เป็นอย่างนั้นแต่แม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้น ันก็เนื่องมาด้วยเรานะชีวิตเราหลังจากนั้นก็จะเป็นชีวิตที่อิสระไม่ใช่อิสระจะไปทำอะไรก็ได้เป็นอิสระที่จะไม่ทำอะไรตามความบีบคันอีกแล้วเพราะไม่มีอะไรบีบคั้นอีกแล้ว เราปฏิบัติธรรมชีวิตการปฏิบัติธรรมมีแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์กายกับจิตนี้แสดงแต่ทุกข์แต่จำเป็นเพราะเราอาศัยทุกข์ ที่ผมบอกตั้งแต่แรกเราอาศัยทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์ชีวิตการปฏิบัติธรรมที่มีทุกข์เป็นเหมือนรางวัลเป็นเหมือนของขวัญ ถ้าไม่มีทุกข์จิตจะหลุดพ้นจากอะไรมันต้องทุกข์ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์ ถือว่าเราโชคดี ไม่ใช่ต้องวิ่งหาความทุกข์เราเห็นกายและจิตนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงมันแสดงความเปลี่ยนแปลงบีบคั้นควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ เราอาศัยร่างกายที่ทุกข์นี่แหละเห็นว่าบังคับมันไม่ได้แก้ไขไม่ได้อยากจะรักษาให้มันดีก็ไม่ได้มันไม่หายทุกข์เข้าไปแต่ทุก ทุกแบบนักปฏิบัติธรรมคือรู้จักปฏิบัติต่อทุกอย่างถูกต้องคือแค่รู้ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตาย จะทุกแสนสาหัสแค่ไหนอดทนอดทนอยู่กับมันให้ได้แต่ธรรมชาติของเราทุกคนจะหนีจะหาทางแก้ ไม่มีใครเรา อ, อดทนได้ร้อยเปอร์เซนต์ตามทฤษฎีที่ผมพูดไม่แปลกอะไรปกติแต่จะถึงวันหนึ่งจะถึงวันหนึ่งที่เราจะเป็นหมาจนตรอกหลังชนฟ้า จนปัญญามันหมดแรงดิ้นแล้วคำว่าหมดแรงดิ้นแปลว่าอะไรเป็นกลางนั้นคือประตู สู่ความหลุดพ้นอย่าลืม วเวาต้องผ่านอุมโมงค์มืดนี้ไปก่อนเราจะพบแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์มันคุ้มเกินคุ้มมันไม่ใช่ความสุข พระเจ้าไม่เรียกว่ามันเป็นความสุขพระเจ้าเรียกว่าเป็นบรล ม, มสุขเราพูดว่าปราศจากความบีบคั้นวันที่เรารู้จักสภาพจิตใจที่ปกติ เราก็ว้าวแล้วโอ้จิตใจที่ไม่ดิน้นรนไม่บีบคั้นเป็นแบบนี้มีความสุขแล้วแต่มันยังไม่อิสระมันยังมีอาสวะกิเลส ปกคลุมเหนียวเนื้อตัวแต่เราไม่รู้มันบาง ลมมสุขจึงเป็นสิ่งที่อธิบายยากมันเหมือนจิตใจที่เคยสกรปรกหมอมแแมม มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเล็กๆน้อยๆแล้ววันหนึ่งไม่มีเราเคยั้ยอยากได้ความสุขเล็กๆน้อยๆ อ, อยากกินนี่ไปกินหน่อย อยากคุยกับคนนี้ไปคุยหน่อยเราคิดว่าชีวิตดีเนาะมีเพื่อนดีมีเงินไปหาอาหารดีๆที่เราชอบกินได้ไม่ใช่กิเลสนักหนาเนี่ยนิดหน่อยธรรมชาติ แถมเป็นชีวิตที่มีความสุขด้วยชีวิตเราดีจะ่าตายแต่เมื่อความรู้สึกแบบนั้นมันหมดไปสิ่งที่เคยมีไม่มีสิ่งที่เคยมีคืออะไรความบีบคั้น อยากได้รับความสุขจากคนจากสิ่งของจากอาหารเครื่องดื่มคำพูดอะไรต่างๆนานาความอยากได้ความสุขแบบนั้นไม่มีแล้ว ฟังดูมันเป็นความสุขเหรอเนี่เหมือนชีวิตจะจืดชืดมากเลยหลวงพ่อเทียนก็ใช้คำว่าจืดนั่นแหละมันจืดไปหมดแต่แปลกความจืดที่ไม่มีอะไรบีบคั้นแม้กระทั่งเล็กเล็กน้อยๆอยถูกเรียกว่าบรมบสุก ถ้าจะให้อธิบายว่ามันเป็นบรลมมาสุขได้ยังไงเพราะมันเป็นความอิสระอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่าง เราฟังฟังแล้วก็ถือเป็นบันเทิงธรรมไม่ต้องไปคิดจินตอนอาการจะเป็นยังไงมันคิดเอาไม่ได้หมดสิทธิ์คิด เล่าให้เป็นกำลังใจว่าความอิสระหลุดพ้นแบบที่พระเจ้าบอกนั้นมันมีอยู่มันรอวันที่เราจะไปค้นพบมันมันรอวันที่เราจะได้รู้จักมันด้วยการปฏิบัติแบบที่ผมสอนทุกคนนี่แหละรู้อย่างที่มันเป็น เห็นตามความเป็นจริงอะไรก็ได้เหมือนเรานั่งอยู่ตอนนี้มีความคิดอะไรจะเอาอะไรัหมจะเอารู้ไหม ไม่เอาหลงไหมมีอะไรดีกว่าอะไรไหมแต่ภาวะตอนนี้ไม่ดีจะแก้ไขไหมถ้าการปฏิบัติของเราเพียงแค่รู้อย่างที่มันเป็นเห็นตามความเป็นจริงนั่นเรากำลังอยู่ในทางที่สั้นที่สุดแล้ว ถ้าเราคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้จะดีกว่าอย่างนั้นนั่นคือเราเราคิดว่ามีเราจริงๆเราถึงเลือก เราเป็นแค่อะไรธรรมธาตุธาตุรู้ธาตุรู้ชื่อมันบอกไว้แล้วว่ามันแค่รู้มันไม่เลือกมันหลงไปก็รู้นี่หน้าที่ของธาตุรู้คืออย่างนี้มันหลงไปก็รู้มันรู้อยู่ก็รู้ จิตมันสบายก็รู้จิตมันอึดอัดก็รู้ไม่มีอะไรดีว่าอะไรเลย ท่าเรายังคิดว่าสบายดีกว่าอึดอัดลำบาก เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นการแค่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องผมไม่อยากใช้คาว่าปฏิบัติเลยเพอใช้ว่าปฏิบัติแล้วมันคิดว่าต้องทำอะไรที่มันดีๆผมอยากจะใช้แค่ว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ถูกต้องเป็นยังไงคืออะไรกำลังเกิดขึ้นก็รู้อยู่แค่นั้นแค่นั้นจริงๆชีวิตการปฏิบัติธรรมของผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลยเพราะจริงๆคือทำไม่เป็นสักอย่าง ให้แค่รู้นี่ยผมทำได้ทำยากคนนั้นทำไม่ได้ทำไม่เป็น คุณสมบัติที่สำคัญคือเราไม่ทำหน้าที่เกินจากรู้แล้วก็อดทนอดทนที่จะไม่แก้ไขแทรกแซงจัดการตามความอยากของเรา เราหลายคนฝึกแบบนี้รู้สึกว่าไม่เจ้าหน้าไม่มีอะไรเลยกี่ปีกี่ปีก็รู้สึกเหมือนเดิมยังโกรธเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิม มันเหมือนเราเติบโตที่ผมบอกจิตใจนี่มันจะเติบโตจิตวิญญาณนี่มันจะเติบโตจนมันแหวกสิ่งห่อหุ้มทั้งหลายสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายจนเป็นอิสระเหมือนผมเรียนภาษาจีน ครั้งแรกผมไปเรียนโอ้โหรู้สึกว่าพูดได้ก้าวหน้ามากเลยถัดไปเรียนอีกครั้งหนึ่งไปเรียนอีกปีหนึ่งเรียนจนท้อรู้สึกไม่ก้าวหน้ามาเรียนทาไมวะเสียเวลาอยากกลับบ้าน แต่พอเราได้พูดคุยการค้ากับคนจีนที่เราต้องไปปรากฏว่ามันฟังได้รู้เรื่องมากพูดได้ปลอแบบที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะพูดได้เนี่ยมันเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันกําลังเจริญอยู่มันกําลังเติบโตอยู่แต่เพียงแต่ว่ามัน ทีละนิดทีละนิดทีละนิดโดยที่เราเนี่ยดีเทคไม่ได้จนถึงวันหนึ่งเราต้องเนี่ยออกลบไปคุยกับคนจีนเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่ก็ดีขึ้นเยอะเลยตพราะนั้นอดทน อดทนที่จะทำหน้าที่ง่ายๆแค่นี้แหละอย่าเลิอกอย่าเลิกการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้ววันหนึ่งเราจะได้รู้จักความอิสระ ที่แท้จริงความสงบในศาสนาพุทธ ไม่ใช่ความสงบของพราหมณ์ความสงบของศาสนาพุทธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นยังไงรู้อยู่กำลังรู้อยู่นี่เรียกความสงบ จิตหลงไปคิดรู้ขึ้นมาไม่เข้าไปเป็นกับมันนี่เรียกความสงบจิตกลับมารู้สึกตัวรู้อยู่ว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วนี่เรียกว่าความสงบ